ต่อจากนี้เรื่องคนสร้างฉากเพื่อ 26 กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2545 เนื่องในวันมาฆบูชา 26ณพุทธสถานขอ ณอ่ะเจริญธรรมทุกเขียน เอา 2012 สู่ 5 นะของกลุ่มวิถีทัดก็ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้นี่ ศาสตราจารย์เสน่ห์จัมริกกรรมการศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวะสีกรรมการศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พานิชกรรมการธรรมเกียรติกันอริกรรมการรองศาสตราจารย์เสรีลีลาไลกรรมการ ดร. โชคชัยสุภาเวชกรรมการ ดร. กรรมการและเหรัญญิกรองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัยวงชัยสุวรรณกรรมการและเลขานุการนะผู้ที่เอ่อร่วมร่วมธรรมเอ่อเป็นกรรมการมูลนิธิวิถีทัศน์สถาบัน คณะที่ปรึกษามีพระมหาณถลางศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรทิพย์นาถสุภา ดร. โชคชัยสุทถาเวชชูเกียรติ วงชัยหรือ ดร. ยุกซีอริยะนะชวนอาตมาไม่กล้าที่จะ 16 มีนาคม ที่ตึกช้างห้องประชุมช้างอ่าห้องประชุมอ๋อประชุมห้องประชุมอะไร 2512 สู่มิติ 5 หรือสังคมเคออส ไปแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรรองรับอีกไหม แต่พอเราชาวสุเรารู้ดีว่าเป็นระบบอย่างไรแต่เราก็พยายามที่จะ ข้อบางเรื่องนี่บางเรื่องก็ดูๆว่าเค้าอยากจะลองดูก็อ่านดูก็รู้สึกว่าเออ สังคมอนาคตหลังเคออสเคออสคือคือสภาพของความไร้ระเบียบ 2012 2012 ธ, 2012 นี่ 2012 ปีนี้ นึกว่า 5 จะเป็นอย่างไรอะไรนี้เป็นต้นอืมทีนี้บทความฟังฟังฟัง บทความต่อมาก็บอก 2-3 พารากราฟเท่านั้นแหละมนุษย์เท่านั้นที่ เป็นไปโดยการสะท้อนตอบอย่าง และความสามารถพิเศษ reflexive ที่ได้จากเช่น การคิดการคิดการวิเคราะห์การสรรค์สร้างสิ่งใหม่บนข้อมูลที่ซับซ้อนรวมทั้งการเรียนรู้จาก ต่อไปได้ทั้งยัง กำลังมีการเปลี่ยนแปลงที่ การเปลี่ยน 10 ปีมานี้นะจะเป็นกระบวนการภาย ดังนั้น 14 ประเทศวงเล็บ พอพูดที่เขียน 1995 คส 1997 คส 1996 คส 2000 ซึ่ง แต่ดังที่ผู้เขียนได้เคยกล่าวมาแล้วว่าเนื่องจากจํานวนของประชากรในแต ela não se transforma a firma, nãoكن se transforma riqueza, não flcamp não se transforma você muda a retação dietâmica humanя記者 e nences‼ geralmente a rei n müssen de história para a suaseringções mas be capaz em um a subir ou aşağı impro de sua communa como a renving se transforma ashore. A A nich해� olhos para tão bon dia esseégande ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างตรงกันข้ามแล้วจริงๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างตรงกันข้ามแล้วจริงๆ แล้วก็แสดงออกมานี่ก็เป็นส่วนนึงบุคคลพยายามออกในนัยยะต่างๆกันเอาสื่อสารบอกกันต่างประเทศชาวไทยเองคิดเองบ้างเอาต่างประเทศมาคิดบ้างต่างประเทศนั่นแหละเยอะเค้าชอบคิดกันเยอะ อาตมาว่าบทความนึกๆอยู่ว่าเอ๊ะมันน่าจะ <c oughs> ที่เห็นว่าอ่านไปอาตมาฟังผ่านอ่านให้ ไม่ชอบที่จะพยากรณ์ไม่ชอบที่จะกล่าวล่วงหน้าไม่ชอบที่จะพูดอะไรมันเป็นแหม่เหมือนกับ บางครั้งที่บางทีอาตมาก็ว่าอาตมาพอเข้าใจเข้าใจโลกเข้าใจสังคมเข้าใจมนุษย์ชาติ อาตมาจึงมั่นใจว่าคนว่าความเป็นมนุษย์ไม่มีทางอื่นเลยที่จะเป็นดียิ่ง นี่ยิ่งกว่าแผ่นเสียงตกร่องอีกที่อาตมาพูดว่าพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นคนนะพวกเราจะ ถือว่าตนเองก็ทูนสุดกล่าวสุดเสียนต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเป็น คงความเป็นมนุษย์แล้วประสบผลแต่ในไหนสมัยไหนก็ตามเกิดมา chunk longo ม. วชนมจากศูคสัยธุคศัฒสวยงศพศรัศสราษรายอร์ passive ลาเอ sweating โ parasite ได้กี้โ grammar at 따พง แตพง ở linodu ม. 650 ม. รнес โษสรรถของชนมต่อไฟล์น Зд ที่พูด ù สราย nichts ก็ตามที่เธอ sparkle curios รายยอดยอดที่ ควรเอาอย่างตามอย่างยิ่งเอาอย่างตามอย่างยิ่งนะสุดยอดอย่างที่ควรเอาอย่างเอ๊ะทําไมน้อ ก็ก็ดีล่ะก็ศรัทธาเชิดชูบูชาก็ดีล่ะแต่ทําไมไม่พยายามเข้าใจไม่พยายาม ท่านได้รับสิ่งที่ท่านได้รับนั่นน่ะท่านๆคือความเป็นคนนี่ล้านขณะนี้ 6,000 ล้านกว่า เขาก็ดิ้นรนแสวงหา ผู้แม่จะดิ้นรนด้วยดิ้นรนจริงๆเอาเป็นเอาตายเลยพยายามกระเสือกกระสนดิ้นรนแสวงหาไปสู่ แล้วคนเนี่ยควรจะได้อย่างที่เค้าเข้าใจแหละ ผู้ที่ ตั้งแต่สมัยอะไรต่ออะไรมาแล้วดึกดําบันมาเอ่อตั้งแต่จิงกิสข่านมาไล่มาจนกระทั่งถึง อ่าโดยวิธีทําที่เค้าก็ทํานั่นแหละทํากันพยายาม อ่าฝึกขั้นปฏิบัติอย่างอุกฤตก็พยายามกระทํากันก็หาก็ ที่มาที่นี่อาตมาว่าแต่ละคนที่นั่งอยู่ ความเป็นคนอยู่ใน ประสบสุดแล้วในโลกด้วยอ่าแต่เงินทองลาภยศต่างๆเอาอํานาจทางโลกโลกีย์อะไรมาเพื่อ ทำท่านก็ไม่ได้อาศัยสิ่งเหล่านั้นได้หมดอะไรเงี้ยท่านก็ไม่ได้อาศัยสิ่ง ใครจะเห็นด้วยใครจะเชื่อถือจะยอมว่าอย่างนี้แหละสุดประเสริฐของคนคนจะเป็นคนจะได้เมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติตามได้ๆมันมีขั้นถึงอรหันต์สูงกว่าว่ากัน สุดยอดก็เท่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แหละคนอย่าง เป็นคนมีความสามารถเป็นคนมีความรู้รอบโลกวิทู สังคมก็สุดยอดสังคมก็ได้รับผลตามที่ผู้คนที่ได้มันเป็น เป็นประโยชน์หมดประโยชน์ตนอัตตัสสะประโยชน์ท่านปรัตถะเป็นอุปยัตถะเป็นประโยชน์ ที่เป็นอรหันต์ผลได้ที่เป็นอรหันต์ผล ว่าจังเทวนิยมตายตายจากร่างกายนี้แล้วร่างกายแตกตาย อย่างนั้นไม่ใช่ของศาสนาพุทธหมายสัมปรายิกัตถะที่แปลกัน มันไม่ได้หมายความว่าตายไปไปเป็นศรัทธาตายไปเป็นศีลตาย เชื่ออย่างรู้อย่างเห็นเชื่ออย่างมีญาณทัศนะเชื่ออย่างเกิดเป็นจริงเราเป็นสงฆ์ คือโลกอันโลกโลกิยะโลกโลกที่คนเค้ารู้จักโลกนี้ล่ะโลกอย่างเนี้ยอิทธะโลกหรือโลก เป็นโลกอีกต่างหากจากโลกลาภยศสรรเสริญโลกิยะสุขที่พระองค์ทรัส ปุถถานะสัมปทาซึ่งเป็นเรื่องของประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ของโลกนี้กันน่ะเกิดเป็นคนมุนอย่างนี้แหละ พรหมจริยวาสโออิทะก็คือนี้โลกนี้อิทะ ด้วยและเข้าถึงสภาพเป็นโลกนี้ ขยันมีแต่เผื่อแผ่แจกจ่ายเจือรักษาดูแลรักษาให้พอเหมาะพอดีดู ให้รักษาดูแลไปไม่ท่านอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะขยันเพราะรักษาให กัลยาณมิตรโกกัลยาณสหายโกกัลยาณสัมปวงโก มิตรดีควรจะเป็นคนอย่างไรคนอย่างพระพุทธเจ้าคนอย่างที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าดําเนินรอยตามพระอยุคนละ ศีลสัมปทาจากัสสัมปทานะปัญญาสัมปทาซึ่งก็เป็นอันเดียวกันกับสัมปรายิกทะ กายัสสะเพทาปรมมรณาหลังจากตายจากกายแตกแล้วก็จะเป็นแล้วก็ค่อยๆไปเข้าถึงศรัทธาเข้าถึง กัลยาณมิตรในข้อที่ 3 ของทิฏฐธัมมิกัตถะนั่นน่ะก็คือมิตรที่พาไปสู่ศรัทธาศีลจาคะปัญญา เป็นชีวิตที่พลัดพรอมไปมีทั้งอุทธานะสัมปทามีทั้งอารักขะสัมปทาอย่าง สัปปะริยคตะเข้ามาไว้ในฐิติธรรมมิคตะมีคตะก็อันเดียวกันไม่ได้เป็นอันที่ ทางที่ปฏิบัติพระองค์ก็บอกไว้แล้วก็จะได้ประโยชน์อย่างที่ว่านี่แหละทางมรรค ที่ดําเนินไปยิ่งวัน งานของทาง 20 กว่าปีมาแล้วก็ดําเนินกันไปคนอะไรก็ไปทําไป อย่างที่ได้เกิดกันมาทําอะไรกันต่อไปแบ่งช่วย กำลังสรรค์อะไรด้วยได้รับทราบทราบข้อมูลต่างๆก็ยิ่งเห็นว่าที่อาตมาเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเอามรรค แล้วก็มีทั้งหมดสังสติปัจจติปทฐาน 4 สมปทา 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 แล้วก็ให้ภาพเพียงกับปฏิบัติมาในหลักมรรคองค์ มีการพูดให้ดีเป็นสัมมาอันใดเป็นมิจฉามิจฉา 4 เป็นต้นพระองค์ก็สอนไว้หมด 5 พระองค์ก็สอนไว้หมดส่วนสมาธิทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินั้น พระองค์ก็สอนไว้แล้วแล้วแต่ฐิณังยิตถังบุตตังเป็นมิจฉาอย่างไรเป็นสัมมาอย่างไรจนกระทั่งถึงข้อสุดท้ายถึง ตัวปฏิบัติตัวที่จะปริญญา 3 ปัญญาตปริญญาธีรณปริญญาปหานปริญญาหรือสมัปปทาน 4 มีสังวรประทานปหานประทานภาวนาประทาน วายามะกับสัมมาสตินั้นจะช่วยสมาธิทิเรามีทิฏฐิแค่ไหนถ้าเราได้พยายามตรงตามสัมมาทิฏฐิถ้าทิฏฐินั้น สติจะสัมมาก็เพราะว่าทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาบ้างไม่สัมมาบ้างวายามะก็เหมือนกันสัมมาบ้างไม่สัมมาบ้างสติก็เหมือนกันก็เป็นสติ เค้ามีทิฏฐิว่าโอ้ถ้าฆ่าคนไม่ให้คนระจับได้เนี่ยแล้วก็รวยเยี่ยมน่ะทิฏฐิของเค้าเข้าใจอย่างนั้นเค้าก็ต้องไปพยายามอวายามะตามที่เค้าเข้าใจว่ามันดีอ่ะเพราะงั้นวายามะก็ตามทิฏฐิเค้า ตายตอนนั้นสุขก็จับไปแต่ตอนแล้วถ้าก็ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่ดีประเสริฐด้วยเรียนอย่างเนี้ยโลภได้ เขาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆกับมิจฉาทิฏฐิอย่างนั้นจริงๆ เพราะงั้นทิฏฐิเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาถ้าเผื่อว่าเป็นคนสัมมาแล้ววายามะ สังคัปปะสัมมารู้แล้วโดยปริยัติโดยการเรียนทางทฤษฎีทาง กายในกายรู้กายนอกกายมีอายตนะสัมผัสกับข้างนอกจนถึงข้างในรู้องค์ สัมผัสกันเข้ามาแล้วเป็นกายองค์ประชุมเข้ามาเป็นสิ่งที่สัมผัสขึ้น ก็วิเคราะห์วิจัยเวทนาในเวทนาเข้าไปอีกลึกซ้อนเข้าไปทั้งเข้าใจ ลึกซึ้งเหล่านั้นจริงๆรู้อารมณ์ลิงขะอาการลิงขะนิมิตของมันฟัง พรมิตา 3 ของสังคปะเนี่ยสําคัญถึง 7 ต้องเรียนรู้ 4 ก็ไม่มีองค์ธรรม กรรมนัตตะก็ไม่มีอะไรซ้อน 3 วาจา 4 กรรมนัตตะ 3 อาชีวะ 5 ส่วน 3 และอย่างนี้เป็นต้นละเอียดลง แต่รู้ในความดําดิตรึกคิดนั่นเลยว่ามันเกิดอารมณ์นั้นเกิดมาเพราะมันอุเบกขาแบบโลกๆโลกีย์ รถจานคลายถึงสามารถดับตั้งแต่จับตัวมันทันจนกระทั่งละเอียดประกอบไปจนทั้งถึงมันเริ่มดำริดำริในกามดำริ จะแต่สิปละเอียดถึงขั้นอารภธาตุอารภธาตุอารัมภธาตุนิคมธาตุปรกัมมธาตุไปจนถึงทั้งถึงอุปกัมมธาตุ 7 ธาตุว่ามันละเอียดขึ้นมายัง จิตของเราคํา 16 นั่นแหละมีสราคะจิตตังวิกิตตังจิตตังอ่ามหากตจิต ปัจจมก็ต้องทิเสสอุตตรจิตอนุตรจิตสมาหิตะอสมาหิตะวิมุตติอวิมุตติพวกนี้ 16 ตัวเนี่ย 16 สภาพเนี่ยอาตมาก็พยายามอธิบายให้พวกเรา ทรงสอนไว้อาตมาก็เอามาขยายอธิบายเป็นภาษาเพื่อที่จะดีๆอย่างรู้ละเอียด โครงสร้างอย่างลึกละเอียดอาตมาก็อธิบายหลักๆพอไปปฏิบัติได้ก็ถูกได้ลดได้ตัวตนมันเป็น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 แล้วก็พยายามปฏิบัติจนมันจางคลายไปเป็นขั้น ผู้อยู่ในสังคัปะนี่คือตัวจิตอ่านจิตเพราะเรารู้จักตักกับวิตกสังคัปะอัปปนาพยัปปนาเจตสโอปินิโรปนาวจีสังขาระ แต่ให้มันเป็นสังขารที่เป็นบุญได้และจึง อาตมาวันนี้ได้สัมมนากันไปตั้งแต่สัมมนาเมื่อวานนี้ ศึกษาของเรา 80 กว่าอ่าก็เป็นนิสิตไป 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ละจะ 5 ก็ต้องมีกิจจลักษณะน้อยต้อง ยิ่งขึ้นปี 6 อาจปี 5 กับละ 4 ปี 5 ปีก็ได้นี่ไม่จะไปขู่นะว่าไม่ให้กําลังใจอ่าบางคนปี 4 ขึ้นปี 5 ขึ้นปีปีเดียวก็ถ้าคุรุท่านตรวจสอบแล้วโอ้นี่ ตรวจสอบกันให้ขึ้นผ่านไปได้อย่างไรก็ทํา ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองเลยครูก็สอนกันจริงๆ ส่วนใครจะทําบุญก็เรื่องของบุญไม่มีปัญหาอะไรทําบุญ ที่เดินทางมาตามสายทางที่พุทธเจ้าท่านพาเดิน ตรวจแล้วเสร็จก็ตก 100% อืมไม่สันติฮะอ๋อ 2 ได้ 3 นะศีษะตกหมดศีษะ ม. 6 แต่ ม. 6 ของศีษะแข็ง ในความเห็นของพวกเรารับผิดชอบเป็นคนที่อยู่ในเป้าหมายอยู่ในความต้องการ หวั่นไหวอ่าต้องเรียน ม.6 ที่อื่นยังหวั่นไหวมากกว่าเลยอาตมาว่าแต่ ถ้าออกข้อสอบมาแล้วเนี่ยสอบไม่ได้เนี่ยใช้ไม่ได้ มันมันมันเป็นความเด็กเราสอบที่กระทรวงศึกษามาทดสอบแล้วว่าสอบตกแล้วน่ะคือเด็กอย่าง ตรงนั้นน่ะตรง 25% เท่านั้นแหละอันเป 40% เป็น 35% เนี่ยอาตมาเห็นความพัฒนาเรื่อง คิดจะพึ่งตนเองได้หรือไม่เป็นภาระสังคมจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมสร้างอีก แล้วก็เอาใบรับรองอันนั้นต่อปริญญาคิดอยู่ในการศึกษาที่ตัวเองได้รับถ่าย ศีลธรรมเพิ่มขึ้นมั้ยมีดีขึ้นปุ๊มมั้ยเพิ่มขึ้นมั้ยไม่ใช่ดูถูก ดีละทำดีขึ้นกว่าปริญญาโทดีขึ้นขึ้นกว่าปริญญาตรีดีขึ้น ใบรับรองที่จริงเพราะฉะนั้นอาตมาจึงบอก มันจะดับเบิ้ลสแตนดาร์ดมาตรฐานกันคนละแบบคนละอย่างจริงๆแล้วก็จริงๆ ที่เค้าเข็นหนักนะเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าต้องทําอัตราส่วน แล้วเด็กเราแล entrance ได้นะเด็กเรา 30 คน 20 คนอะไร 10 กว่า คน, 10 คนแล้วก็ entrance ก็ 5 คน 8 คนปี แล้วเด็กของเรา 5 คน 8 คนนี่ไปสอบกับเด็กเค้าต้องเป็นแสนหลายแสนคนคน 4 คนนึงอ่ะมหาวิทยาลัยเกษตร อ่าเด็กสันติก็ไปเรียนที่เชียงใหม่คนใช่มั้ยก็จบมาอยู่เรียนอยู่ 8 คนต่อ 200,000 <c oughs> หรือแม้แต่เข้าสอบร้อยได้คนนึงได้ 2 คนนี่มันจะสู้เราเหรอเค้าไปเค้าส่งเค้าไปสอบ คน, 8 คนก็ได้คนนั้นกรณีคือได้ 2 คนได้ 3 คนก็แล้วแต่แต่เอาเถอะนี่ก็พูดไปอย่างงั้นแหละไม่ไปสอบเลยก็ไม่เป็นไรดีไม่ต้องไปอินทรานซ์หรอกสมัครสอบเข้ามาเนี่ยอัตมาสอบสัมภาษณ์เท่านั้นแหละคํามวช อาตมาได้พยายามที่ให้การศึกษาพยายามที่จะนําการศึกษาอย่าง อีก 20 ปี 30 ปีข้างหน้านี้เด็กๆรุ่นๆที่อาตมาเห็นหน้าอยู่เนี่ยเค้า อนุโลมทําอย่างไรทําอะไรขนาดไหนในภาวะอยู่และก็ตรวจสอบอยู่ อาตมาสร้างมาขนาดนี้แล้วอาตมาจะทําให้มันเสียหายเสื่อมโทรมเสื่อมซ้ําอะไรไปโดยฝีมือ แก้ไขกระทําไปเชื่ออาตมาก็ว่าอาตมาใช้ปัญญาเท่า การที่ศาสของเราเนี่ยเราสร้างคนบอกขอบอกพวกเราแม้แต่ ขัดเกลาตัวเองขัดเกลากายวาจาใจขัดเกลาสิ่งก็ขัดเกลาเป็นสัมมาอย่างแท้ อยู่กันอย่างมีศีลสั่งวอนในศีลปฏิบัติศีลตรวจสอบ 1 อายุ 3 ขวบใช่ เออ 3 ขวบเป็นเด็กผู้ชายมีผู้หญิงไปกอดเขา อันนี้คนเวรมนีเค้าก็จะรู้ว่าอันนี้เวรมนีไปตามจริงๆตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆตัวน้อยๆอะไรตามก็ ไม่ใช่ศีลขัดกายก็วาจาเท่านั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็พยายาม เราพยายามกระทําตามทางพระเจ้าพามาเป็นสังคมหมู่สังคมกลุ่มตั้งแต่การศึกษาก็ดีวันนี้พูดถึงเรื่องงาน มาร่วมมือกับเราแล้วก็วิจัยวิจารณ์กันต่างที่เอาบอกมาพูดมันเกิดประโยชน์ตนเกิดประโยชน์ คือตอนแรกเราก็เห็นโอ้โหคงจะทําไม่ไหวคงจะทํายากเอาไปเอามามันก็พอ บอกว่าทางศาลศาลที่พิพากษาที่ขอนแก่น ที่ภาษาให้เอามาให้ คร. แก่นอโศกอบรมอบรมความประพฤติเอามาคุมประพฤติน่ะทั้งๆที่ แต่มีข้อมูลมาอย่างงี้เมื่อกี้นี่เองบอกอาตมา อาตมาก็ออกจะรู้สึกว่ามันมันมหัศจรรย์ มันเป็นอะไรอันนึงที่เกิดขึ้นมาว่าในสังคมนี้ที่เราได้พยายามพัฒนาชีวิตกันนะพยายาม มันก็เป็นข้อมูลที่ทําให้เราได้เป็นตัวตรวจสอบความจริงว่าเราทําอะไรทั้ง ลาภยศสนเสริญโลกีย์สุขเป็น ไม่ดีดีคนที่พยายามจริงพูดอยู่ในที่แคบๆแต่พูดในที่ คืออาตมาไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดไปประชดๆเลยอาตมาก็ย้อนไปที่ แสวงหาความประเสริฐสุดที่ควรจะเป็น พระหุนก็แท้ๆก็อยากออกมาบวชออกมาเดียวรักษาได้ทุก แล้วเสดาร์า 30 บาทรักษาได้ทุกโรคอันนี้มันบาทเดียวมีมามาสุขสุข ฤัตตะทัตถสุขไม่ใช่สุขอย่างวูปสโมสุขสุขอย่างอุปสมสุขทีเดียวอ่าเป็นคนจนผู้ นะเป็นคนๆไม่ใช่พูดๆใครฟังฟังแล้วว่าอาตมาเล่นลิ้นหรือเปล่าฮะอ๋อไม่ใช่เหรอ เป็นคนจนที่คนมากราบด้วยคนจนที่คนมากราบด้วยเป็นคนจนที่คนมากราบจริงๆเพราะเราเป็นคนจนที่ขยันสังคมรู้จักดีมานด์รู้จักเป ในสิ่งที่ๆเช่นสังคมนี้ขาดแคลนธรรมะมีอุปสงค์สูงมาก ต้องการคนที่ทําให้แก่โลกรู้มากเอาเปรียบคนทั้ง คนที่จะจริงใจอย่างนี้มันขาด ทำและเอาคําสอนของพระเจ้ามาเผยแผ่ บางอย่างท่านก็เข้าใจถูกบางอย่างท่านก็ใจผิดสิ่งเราผิดจริงเราก็แก้ไขอะไรที่มันเราถูกอยู่ ต้องทําอย่างนี้ต้องเถียงกันคําต่อคําเธอนั่นแหละผิดเรานี่แหละถูกอะไรก็ไม่ได้ไปโต้ ปุถฐานะสัมปทามีอารักขสัมปทาแต่ยังไม่คดดียังไม่ประณีตประหยัดอารักขสัมปทาของเรานี่ยังไม่ประณีตประหยัด เข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เข้าถึงศรัทธาพระพุทธธรรมพระว่าเราลดได้พาลดมละละแม้กระทั่งหมดตัวหมดตนหมดความเป็นตนมั่นหมายว่าเป็นเราถึงได้ ลดลงไปตั้งแต่โพราธิกะอัตตามโนมยอัตตาลดลงมาลงมาจนกระทั่งมารวม ขอให้มาแต่ตัวกับหัวใจน่ะเป็นเอาดีแล้วล่ะส่วนใครจะ นี่ไม่ใช่ว่านะเอาความจริงมาพูด มันเป็นอย่างชาติไหนชาติไหนก็สั่งสมกรรมสั่งสมวิบากสะสมพลวะปัจจัยของชีวิตไปสั่งสมไปถ้าได้สุดยอดเป็นอรหัตตผลก็เป็นหลักชีวิตถ้ายังไม่ถึงอรหัตตผลเมื่อไหร่ยังยังไม่ ได้เกิดการเกิดมาเป็นชีวิตมนุษย์อยากจะเกิดต่ออีกต่างกับเถรวาทของประเทศไทยเพราะทางเถรวาทประเทศไทยนั้นเห็นว่าเป็นอรหันต์แล้วเกิด พระอรหันต์ตายแล้วไม่มีสิทธิ์เกิดจะตายทางๆทางเถรวาทเป็นเข้าใจเป็นมาตรฐานจังนั้นเลยมาตรฐานของเถระ ถ้าตายลงเมื่อใดแล้วต้องศูนย์น่ะต้องพินาศต้องไม่เกิดอีกนะ นี่ก็ดีนะยังมีหลักฐานในปฏัยปิฎกในยมกสูตรนั่นยืนยัน มันเป็นความคิดเผ็ดความคิด เพệt มันเป็นความเห็นที่ผิดมันยังไม่ถูก เข้าใจว่าพระอรหันต์ตายแล้วต้อง 0 หมดกับอีกอีกแนวสิคุณจะเอาอย่างไหนอ่ะจะ อาตมาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆว่าพระอรหันต์เกิดอีกได้สังสมพุทธิสัตตวภูมิหรือพุทธภูมิได้สังสมจน อรหันต์สามัญัยจนกระทั่งเป็นอรหันต์ในระดับปัจเจกพุทธเจ้า นึกอยากจะลองไปมีเงินแสนล้านอีกบ้างก็ลอง คุณก็ต้องอบอุ่นล้านล้านล้านชาติเออชาตินี้สั่งสมได้ 20 ล้านอย่างบริสุทธิ์ 10 ล้าน 20 ล้านนี่ก็ยากเย็นแสนเข็ญแล้วอย่างสุจริตจริงๆเนี่ย คุณแต่ชาตินี้ 10 ล้าน มีโลกุตระซ้ําบัดแล้วมันเป็นหลักประกันไม่เป็นภัยต่อตนและไม่เป็นภัย สิเปยสิเป 30 ปีแล้วจะเห็นได้ว่า 10 20 30 ปีทั้งๆ ว่าจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้เป็นอริยะกันสูงส่งอะไรกันเท่าไหร่แต่อาตมามั่นใจว่าพวกเรา ต่อเราเนี่ยเพราะความร่วมของโกรธลดลงจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยยึดบ้างเป็นกาม ที่มันเป็นทางตาหูจะบอกด้วยการจะมันเป็นมโนมยอัตตาที่มันยังเป็นภพเป็น ระวังทวาร 5 แต่ข้างในมันก็มีสิ่งที่สําเร็จด้วยต่างๆเราก็ๆมันจึงมีมันก็ไม่ปรากฏว่า ในพวกเราเนี่ยในเรื่องของราคะหรือในเรื่องของกามก็แรงจนกระทั่งถึงขั้นโอ้โหดูเป็น ตึงโลภตึงโกรธตึงชังก็ไม่ถึงขั้นที่โอ้โหทารุณคาดแกนทําร้ายกันถึงขั้นบาดเจ็บถึงขั้นอย่างนั้น ทนไม่ไหวจนกระทั่งคุมไม่อยู่แล้วก็เกิดปทุปทุจนกระทั่งเห็นว่ามันโอ้โห เพราะจะจะว่าไปแล้วก็เป็นสังคมที่พิสูจน์หลักสัจธรรมความโลภโกรธหลงของมนุษย์เจ้ากันว่าเราลดความโลภโกรธหลงได้จริงมั้ยจริง อาตมาพูดตรงๆว่าอาตมาปลื้มใจรักรักพงป่านนี้ก็คงดิ้นรนๆๆๆ อ่าแต่ปัมีกิจการธุรกิจไปนี่ความฉลาดประมาณอายุ 20 30 ก็ยังพอตั้งหลักตั้งฐานขนาดนั้นทํางานหาเงินอยู่ อาตมาจึงภาคภูมิใจตัวเองเออเราคิดถูกเราไม่ไปหลงไหลเพ้อไปตาม มันเป็นเรื่องจริงอาตมาไม่ได้มีบอกแว็กไม่ <c oughs> มีแต่ความมั่นใจว่าโอ้เราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มา <c oughs> แล้วก็ภาคเพียรตามกันมาทํากันมาจนมาถึงมีผล ซึ่งอาตมาก็พยายามที่จะพึ่งให้มีเด็กมีเล็กนักค่อยๆ ยังปฐมโศกนี่อาตมากันไม่ให้ มีสองคนคนน่ะน่ะ 2 คนอ่าเพิ่งจะ มันก็แล้วแต่บุคคลก็มีไปตามวิบากคนนั้นเกิดหรือลูกเทวดามาเกิดยังไม่รู้ก็ว่าไป มีทั้งนานาปรดเด็กๆเล็กๆรุ่นนี้น่ะจะที่จะศึกษา ฉลาดกําลังเข้าใจแต่ อย่างที่นักรู้นักสังคมศาสตร์อะไรเค้าพยายามที่จะนําๆไม่ใช่ไปใส่ความเค้าไม่มีทางไปอีกมันมันล้มเหลวระบบทุนนิยม สังคมนิยมมันก็ไปไม่รอดจะเป็นสังคมนิยมหรือจะเป็นคอมมิวนิสต์ เขาไม่ได้มาพัฒนาจิตวิญญาณโดยเฉพาะเขาไม่ได้เขาใจจิตวิญญาณเหมือนอย่างพระพุทธเช้าเขาใจ 困่างเขาstellungทำไม่ได้ ถ้าพระพุทธเช้าทำจะยิ่งกันดี pinpoint 港ริก utan bevor rashาว 갖ุก subscribed ณอนุ Sher же ain't that Dh pass so PainINed that Jesus receive youth journey in queridos and worship as aatch ptmarafara fruitsaman I am get married for the ptmaking session. ultimate prayer 7 свое It's Poach was a 넷 from behind and abstinence.unch on me PastorUMBaseon He wasn't no uep on Kabuan. zu Langsay. แล้วมันมาทําพาทําพาพิสูจน์ได้ขนาดนี้จะบอกว่าความ ส่วนรวมผู้ที่เหมาะสมควรจะได้ในศาสนาพุทธนี่มีอาตมาขอยืนยัน พอมาแบ่งแจกกัน ประโยชน์ท่านมีมั้ยประโยชน์ตนน่ะมันถึงขั้นประโยชน์ขั้นบรมประโยชน์เชียวนะเรียก เราให้ไปเข้าอัตตาเป็นอัตตนิยารเลยยิ่งผู้ใจยิ่งทําได้เต็ม <ม. S 1> แล้วก็มีวิธีที่จะอยู่รวมกันสามารถอยู่รวมกันเกื้อกูลกันพึ่งกันพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกัน งานการก็มีทั้งบทบาทของความสามารถหลักเป็น มีความเจริญแต่ผู้ทําก็จบยิ่งทําก็ยิ่งเข้าใจยิ่งทําก็ยิ่ง เป็นการพิสูจน์ความจริงว่าคนเรามานะท่ามกลางสังคมที่รุนแรงทางทุนนิยมอย่างแล้วมันเนี่ย ลัทธิก็ตามเขาบอกว่าพวกนี้เป็นลัทธินะปฏิบัติ หรือว่าใหม่เพราะว่ามันแปลกไปจากผิดมานานแล้วจนกระทั่งเราเอาของเก่าของพระพุทธเจ้ามานี่คุณเห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินไม่ได้ศาลอาญาก็ตัดสินไม่ได้ศาลฎีกาก็ตัดสินไม่ได้ ช่วยเอาจริงๆนะพิสูจน์มั้ยเนี่ยเอา อาตมามั่นใจนะว่าพวกเราพูดน่ะจริงใจจริงกิเลสมันมีจริงแต่กิเลสต้องเอาชนะให้ได้กิเลสสามารถดับจนตายไม่ฟื้นดับจนหมด แต่อาตมาพูดเพื่อที่จะให้เป็นโวหารให้คุณฟังให้ชัดๆพระพุทธเจ้าโกหก เอจิปัตสิโกอาตมาทุกวันนี้อวดก็ไปเยอะ <E <hib as ico> แต่ก็อวดได้อวดอุตริมนุษยธรรมน่ะกระซึกอาตมาก็เอามายืนยันเอาหลักฐานในพระตปิฎกมายืน ไว้อวดโดยชอบบรรลุศีฆนาถโดยชอบเถิดน่ะไม่เพราะอะไร ปล่อยให้เองอวดมันจะไปเข้าว่าอวดไม่ได้มากกว่าจะบอกว่าชัดมั้ยชัดคนที่มีปัญญาพอได้ศึกษา เสาอาตมาก็เอ้าก็ดับเบิ้ลสแตนดาร์ดเนาะก็ดับเบิ้ลสแตนดาร์ดไปเอาเกือบ 30 ปีแล้ว 30 ปี เราตั้งๆ พ.ศ. 2516 ตั้งกลุ่มอโศก 2516 อ่า 2516 ยังไม่ถึง 30 ที่แดนอโศก จึงถือว่าเราเป็นอิสระเสรีเราเป็นอโศกกันโดยรูปธรรมยังไม่มีชื่ออโศก นะวันก็เท่ากับ 29 ปีใช่มั้ยอ่ามหามหาบูชาทําไมๆสําหรับผู้ที่ยังไม่ ยังไม่ตัดสินยังไม่พยายามที่จะตัดสิ่งที่ควรตัด ไม่ใช่ พ.ศ. ค.ศ. ค.ศ. 2012 อีก 10 ปีข้าง 20 ปีบาง 30 ปีเค้าคํานวณกันไว้ว่าเนี่ยบทความพวก 30 ปีข้าง 20 บางคนคํานวณว่าแค่ 10 ปีสังคมมัน 10 กว่า 20 ปี 30 ปีที่ มันจะพังเข้าผะมันจะพังซึ่งใครๆก็พอเข้าใจปัญญาชน อาตมาจริงๆว่าเออถ้าพออาตมาเป็นคนที่อยากอวด มันไม่เหอหรือมันไม่หามที่จะไปทําอย่างนั้นเลยในใจใจมันไม่มีความเหอ อัตมาเมยักษ์มันไม่ไม่ไม่ไม่เห็นว่าทําการแต่มันอาตมาว่าอาตมาไม่ 16 มีนาก็ ยังนึกอยู่หรือเขาก็ 50 70 เท่านั้นที่ในห้องเสวนานั้นน่ะ แล้วจะมีใครที่ร่วมเสวนาด้วยบ้างก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยเดี๋ยวเค้าสอบถามอาตมามันจะเรียบร้อยหรือเปล่าไม่รู้แต่เค้าทําหนังสือมาเหมือน 16 วันเสาร์ เออมาเห็นด้วยมาร่วมไม้ร่วมมือกันแทนที่คุณจะไปทําแยกอยู่อย่างนั้นเอามารวมกันได้มั้ยอันนี้เราบังคับ นอกจากจะทําให้เค้าเข้าใจให้เค้าช้าไม่เร็ว ย่าแต่ได้ได้เป็นอย่างเงี้ยคนกล้าจะมาทํางานโดยไม่รับเงินดาวเงินเดือนเงิน ทำมาหากินแล้วก็ทําอ่าได้หน้ามีอะไรอะไรอยู่นี่เค้าจริงๆสังคมก็อย่างสังคมมีเรา เราก็รู้ทันรู้อยู่แต่เราก็ไม่ได้ปลื้มกับเค้าไม่ไปเหอกับเค้าไม่แต่เราก็อยู่กันได้เลี้ยงรอดไม่ ไม่ต้องถึงขั้นต้องฆ่าตัวตายต้องแย่งชิงตีกันต้องโอ้โหไม่ต้องก็อยู่กันอย่างสงบดีอยู่กันอย่างเผือกๆควงกันดีมีงั่งๆงงๆบังเกิดดันรัศมีมาน้อยธรรมดาเล็กๆน้อยๆเท่า สอนกัน ศึกษาดีๆแล้วก็ตัดสินใจดีๆโถมพลังใจอาตมาขอให้พวกคน อย่าไปยินดีในความ